ท้าวสักกะเทวราชตรัสว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายที่มาประชุมในที่นี้มีประเมินเพียงไรจงตั้งใจสดับคุณที่ควรพันน า, นาทั้งสูงทั้งต่ำเป็นอันมากนี้ของมนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมอย่างพระเจ้าในมิราชนี้เป็นบัณฑิตมีพระราชประสงค์ด้วยกุศลพระองค์เป็นราชาของชาววิเทหราทั้งปวง ทรงปราบค่าศึกพระราชทานไตยธรรมเมื่อพระองค์ทรงบริจาคทานอยู่นั้นเกิดพระดำริขึ้นว่าทานหรือพรหมจรรย์อย่างไหนมีผลมากเนาะมหาชนกล่าววา่าเกิดพิศวงขนพองขึ้นในโลกแล้วเนาะรถทิพย์ปรากฏแก่พระเจ้าวิเทหรัฐผู้มียศพระาศาสดาตรัสวา่า เทพบระบุมาตลีผู้เป็นเทพสารถีมีฤทธิ์มากอันเชิญเสด็จพระเจ้าวิเทหรัชผู้ทรงสงเคราะห์ชาวเมืองมิถิลาว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศขอเชิญเสด็จมาทรงรถนี้เทพพระเจ้าดาวดึงพร้อมด้วยพระอินใครจะเห็นพระองค์เพราะเทพเหล่านั้นรอลึกถึงพระองค์ นั่งกล่าวสรงเสริญคุณของพระองค์อยู่ณนะเทพสภาชื่อสุธรร ม, มาลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชผู้สงเคราะห์ชาวมิถิลาผู้เป็นประมุขรีบเสด็จลุกจากอาจขึ้นสู่รถมาตลีเทพสารถีได้ทูลถามพระเจ้าวิเทหราชผู้เสด็จขึ้นทรงทิพยรถแล้วว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสรศิฐผู้เป็นใหญ่ในทิศ ทางไปสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทําบาปทางหนึ่งทางไปสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทําบุญทางหนึ่งจะโปรดให้ข้าพระองค์นำเสด็จไปทางไหนพระเจ้าเนมิราตรัสว่าแมมาตลีเทพสารถีท่านจงนำเราไปโดยทางทั้งสองคือทางไปที่อยู่ของผู้ทําบาปและทางไปที่อยู่ของผู้ทําบุญ มาตลีเทพบุตรทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศทางหนึ่งไปที่อยู่ของผู้ทำบาปทางหนึ่งไปที่อยู่ของผู้ทำบุญจะโปรดให้ข้าพระองค์นำเสด็จไปทางไหนก่อนพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าเราจะดูนรกอันเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมยาบช้า และคติของเหล่าชนผู้ทุศีลก่อนพระศาสดาตรัสว่ามาตาลีเทพสารถีได้แสดงแม่น้ำเวตารณีซึ่งข้ามยากประกอบด้วยน้ำแสบเผ็ดร้อนเดือดพล่านเปรียบดังเปลวเพิงแด่พระเจ้าเนมิราชพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นชนซึ่งตกอยู่ในเวตารณีนาทีภาคซึ่งยากจะข้ามได้ จึงตรัส ก, กะมาตรลีเทพสารถีว่าแน่นายสารถีความกลัวมากปรากฏแก่เราเพราะเห็นสัตว์ตกอยู่ในแม่นะ้ำเวตาณีแน่มาตรลีเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงได้ตกในเวตาณีนาทีมาตรลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถาม กามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เราใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีกำลังมีบาปกรรมเบียดเบียนด่ากระทบผู้ที่หากำลังมิได้สัตว์เหล่านั้นมีกหยาบช้าทําบาปจึงตกลงในเวตารณีนาทีพระราชาตรัสว่าสุนัขแดง สุนักด่างฝูงแรง้งฝูงกาหน้ากลัวเคี้ยวกินสัตว์นรกความกลัวปรากฏแก่เราเพราะเห็นสัตว์เหล่านั้นเคี้ยวกินสัตว์นรกเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ที่ฝูงกาเคี้ยวกินได้ทําบาปอะไรไว้มาตรีเทพสารถีอันพระเจ้าเนมิราชตรัสถามแล้วได้ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทําบาปตามที่ได้ทราบ แต่พระเจ้าเนมิราชผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ตรณีเหนียวแน่นมีบาปรรมมักบริพาดเบียดเบียนดากระทบสมณพราหมณ์สัตว์เหล่านั้นมีกำหยาบช้ากระทำบาปจึงถูกฝูงกาเคียวกินพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าสัตว์นรกเหล่านี้มีร่างกายลุกโปงเดินเหยียบแผ่นดินเหล็ก และนายนิรยาบาลโบยด้วยท่อนเหล็กแดงความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านั้นแน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ทําบาปอะไรไว้จึงถูกเบียดเบียนด้วยท่อนเหล็กนอนอยู่มาตาลีเทพสารถีทูลพยากร์พระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบาปทั้งหลาย แด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัด์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยยโลกเป็นผู้มีบาปทำเบียดเบียนแต่กระทบชายหญิงผู้ไม่มีบาปทำรรสัจัดเหล่านั้นมีกหยาบช้ากระทำบาปกรรมแล้วจึงถูกเบียดเบียนด้วยท่อนเหล็กนอนอยู่พระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าสัตว์เหล่าอื่นร้องไห้มีกายไฟไหม้ทั่ว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 เมอโลหะใหญ่ไฟติดทั่วลุกโพลงโชดช่วงย่อมปรากฏความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตรลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงตกในโลหะกุมพีมาตรลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลาย แด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเป็นผู้มีบาปธรรมเบียดเบียนดากระทบสมณะหรือพรามผู้มีศีลสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้ากระทําบาปแล้วจึงหัวทิ่มตกในโลหะกุมพีพระเจ้าในมิราชตรัสถามว่านายนิรยาบาลผู้คอสัตว์นรกด้วยเชือกเหล็กลูกโพลงและตัดศีรษะโยนลงในน้าร้อน ความกลัวเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตตลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ได้ทําบาปอะไรไว้จึงมีศีรษะขาดนอนอยู่มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบาปทั้งหลายแต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าข้าแต่พระองค์เป็นจอมประชาชน สัตว์เหล่าใดเมื่ อ, อยังอยู่ในมนุษยโลกมีบาปธรรมจับนกมาฆ่าสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้ากระทำบาปจึงมีศีสษะขาดนอนอยู่พระเจ้าในมิราชตรัสถามว่าแม่น้ำนี้มีน้ำมากมีตะลิ่งไม่สูงมีท่าอันดีไหลอยู่เสมอสัตว์นรกเหล่านั้นเร่าร้อนเพราะความร้อนแผดเผาจะดื่มน้ำ ก็แต่เมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจะดื่มน้ําก็กลายเป็นแกลบไปความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตาลีเทพสารถีข้าพเจ้าขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทํำบาปอะไรไว้เมื่อจะดื่มน้ําน้ําจึงกลายเป็นแกลบไปมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดํารัสถาม ตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เราใดมีการงานไม่บริสุทธิ์ขายข้าวเปลือกแท้เจือด้วยแกลบแก่ผู้ซื้อเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความร้อนยิ่งเพราะความร้อนแผดเผากระหายน้ำจะดื่มน้ำน้ำจึงกลายเป็นแกลบไป